มูลนิธิพรรัตนสุวรรณขอเสนอรายการเสียงธรรมเรื่องวิธีชนะอารมณ์โดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณเรื่องวิธีชนะอารมณ์นี้อาจารย์พรได้บรรยายที่สถานีวิวทยุสทรตั้งแต่เดือนมกราคม2502และได้เขียนขึ้นใหม่และจัดพิมพ์เป็นเล่มขึ้น ในเดือนเมษายนสอง2้าสองเรื่องวิธีชนะอารมณ์คนที่จะอยู่ในโลกได้ด้วยความผาสุกนอกจากจะต้องอาศัยฐานะทางการเงินและความรอบรู้ในวิชาอาชีพต่างๆแล้วปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งที่จะทำให้คนเรามีความผาสุกก็คือ การรู้จักเอาชนะอารมณ์ของตนเองได้คนที่ไม่สามารถจะเอาชนะอารมณ์ของตนเองได้เราจะพบว่าฐานะทางการเงินหรือทางการศึกษาไม่เคยช่วยให้คนเหล่านี้มีความผาสุกได้เลยเพราะฉะนั้นการรู้จักเอาชนะอารมณ์จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนจำเป็นจะต้องรู้คำว่าอารมณ์ ในความหมายทางพระพุทธศาสนาหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆที่ใจนึกขึ้นมาซึ่งภาษาบาลีเรียกว่ารูปารมณ์ัทธารมคันธารมรสารมโพธพารมและธรรมารมคำว่าอารมณ์ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงเครื่องเราหรือสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมานี้ไม่ใช่หมายถึงความรู้สึกอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจเพราะฉะนั้นคำว่าชนะอารมณ์ในทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงการรู้จักเอาชนะเครื่องเราหรือสิ่งแวดลอ้อมและคำว่าชนะตนซึ่งหมายถึงการชนะใจตนเองนั้น ในความหมายที่แท้ก็หมายถึงการชนะอารมณ์นั่นเองโดยธรรมดาคนทุกคนย่อมตกเป็นท่าของอารมณ์ไม่มากก็น้อยคนที่ไม่ตกเป็นท่าของอารมณ์เลยมีบุคคลประเภทเดียวคือพระอาราหันต์นอกจากนี้แล้วย่อมตกเป็นท่าของอารมณ์ทั้งสิน้นพระอริยะบุคคลที่ยังไม่ถึงขั้นอาราหารันต ก็ไปคนจากอำนาจของอารมณ์แต่ต่างจากบุทุชนตรงที่การตกเป็นทาสอารมณ์ของภาริยาบุคคลนั้นน้อยมากจนคนธรรมดาสังเกตเกือบไม่ได้เลยในชีวิตประจำวันของท่านในสายตาของคนธรรมดาทั่วไปจะเห็นว่าท่านทำอะไรตามเหตุผลเสมอ แต่ในความรู้สึกของพระอริยบุคคลที่สูงกว่าจะเห็นว่าพระอริยบุคคลที่อยู่ในขั้นต่ำกว่าท่านนั้นยังตกเป็นทาาของอารมณ์บางอย่างอยู่เช่นนางวิสาขาเคยร้องไห้เพราะหลานตายพระอานน์ก็เคยร้องไห้ในเมื่อทราบข่าวว่าอีกสามเดือนพระพุทธเจ้าจะท่งปรินิพาน และจากเรื่องในคำพีธรรมบทก็เคยมีปรากฏว่าผู้หญิงซึ่งเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ด้วยอำนาจของบุพเพสนิวาตทำให้ปรรักชายคนที่เป็นนายพรานจนได้แต่งงานเป็นสามีพัรยากันก็มีดังนี้เป็นต้นเรื่องของอารมณ์ถ้าได้ศึกษาโดยละเอียดแล้วท่านจะพบว่าอารมณ์เป็นเรื่องใหญ่ ที่มีอิทธิพลครอบงมจิตใจคนมากที่สุดและไม่เว้นใครเลยนอกจากพระราหันเท่านั้นปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าทำไมอารมณ์จึงมีอิทธิพลเหนือจิตใจคนปัญหานี้ท่านจะเข้าใจได้ไม่ยากถ้าหากเข้าใจคำตอบไปนี้อย่างแจ่มแจ้ง ความรู้สึกนึกคิดย่อมเป็นไปตามความหมายที่เกิดจากอุปาทานคำว่าอารมณ์ในความหมายที่ลึกซึ้งก็คือความหมายต่างๆที่สุดแล้วแต่จะยึดถือกันถ้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ประสบพบเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ ที่เข้าไปสู่จิตใจและทำให้จิตใจผันผวนไปได้ต่างๆนั้นก็คือความหมายที่ยึดถือไว้นั่นเองเช่นคำว่ามึงคูฉันท่านคุณเธอสรพนามต่างๆเหล่านี้เราจะรู้สึกว่าเป็นคำหยาบหรือคำสุภาพความสำคัญไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่ความยึดถือตามที่เคยอบรมมา เช่นคําว่าเมืงองกูในสมัยพ่อคุณรามทําแหงไม่ได้ถือว่าเป็นคําหยาบแต่มาในสมัยปัจจุบันในกลุ่มของผู้ดีถือว่าเป็นคําหยาบดังนี้เป็นต้นถ้าท่านเข้าใจว่าอารมณ์ก็คือความหมายและความหมายก็คือสิ่งที่เกิดจากอุปาทานเช่นนี้แล้วท่านก็จะเข้าใจได้ว่า เหตุไรคนทุกคนจึงตกเป็นทาสของอารมณ์และทำอย่างไรจรึงจะเอาชนะอารมณ์ได้อันหนึ่งตามธรรมดาคนที่จะละอุปาทานได้อย่างเด็ดขาดก็คือพระอาหารหันต์เท่านั้นส่วนกูุชนมีอุปาทานเหนียวแน่นมากการที่บุคคลธรรมดามีอุปาทานเหนียวแน่นก็เพราะมีตัณหามาก หลักในปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานถ้าตัณหามากอุปาทานก็มากและตัณหาจะเข้มข้นก็เพราะความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของผู้ธุชนเข้มข้นด้วยเหตุนี้ผู้ทุชนผู้หนาด้วยตัณหา จึงไม่มีทางที่จะปลดเปลื้องอุปาทานของตนเองได้เว้นไว้แต่ผู้ที่สนใจศึกษาทมเพื่อแก้ตัญหาของตนเท่านั้นจึงจะมีทางบรรเทาอุปาทานของตนเองลงได้บ้างและผู้ที่มีอุปาทานเบาบางเท่านั้นจึงจะสามารถเอาชนะอารมณ์บางอย่างได้จากหลักวิชาโดยสังเขปเทียติบายมานี้ ท่านพอจะมองเห็นได้ว่าเห็นไรคนทั่วไปจึงตกเป็นท่าของอารมณ์ซึ่งหมายความว่าพอกระทบกับอารมณ์ที่ยั่วให้เกิดความรู้สึกในทางไหนความรู้สึกในทางนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีไม่สามารถจะยับยั้งไว้ได้คนที่หุนหันพลันแล่นใจร้อนโกรธง่ายใจน้อย เห็นคนอื่นได้ดีทนอยู่ไม่ได้อะไรต่างๆในทํานองนี้ก็คือคนที่ตกเป็นทาสของอารมณ์อย่างมากนั่นเองขอได้โปรดสังเกตดูว่าคนเจ้าอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นบุคคลประเภทที่มีความยึดบ้่นในสิ่งที่เขาต้องการอย่างเหนียวแน่นมากเช่นคนที่ต้องการจะมีชื่อเสียงเห่อเหิอมทะเยอทยาน ในเรื่องชื่อเสียงอย่างมากนั้นจะพบว่าเป็นบุคคลที่ชอบยอชอบคนประจบสอบพลอและทนไม่ได้ถ้าหากจะมีใครมาดูหมิ่นเกียิแม้เพียงเล็กน้อยขอได้โปรดสังเกตว่าความยึดถือทุกอย่างขึ้นอยู่กับความต้องการถ้าหมดความต้องการก็หมดความยึดถือเช่น ผู้หญิงเจาหึงก็เฉพาะแต่ในผู้ชายที่ตนเองยังรักและต้องการอยู่เท่านั้นถ้าหมดรักหมดต้องการความหึงก็จะหมดไปความหึงก็คืออุปาทานที่แสดงออกมาในรูปหนึ่งการรู้จักอาชนะอารมณ์ความสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจหลักวิชาต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ถ้าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าการตกเป็นาธาตุอารมณ์ก็คือการตกเป็นาธาตุอุปาทานของตนนั่นเองและเนื่องจากอุปาทานทุกอย่างขึ้นอยู่กับความต้องการฉะนั้นคนที่จะมีอุปาทานอย่างเหนียวแน่นก็คือคนที่เห็นแก่ตัวอย่างมากเท่านั้นถ้าท่านซึ้งในข้อความสั้นๆเหล่านี้ จะทำให้ท่านรู้จักเอาชนะอารมณ์ได้อย่างมากทีเดียวคนที่ตกเป็นทาาของอารมณ์ก็คือคนที่เห็นแก่ตัวหรือคนที่โง่ต่อจิตใจของตนเองคติเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ตกเป็นทาาของอารมณ์สำหรับข้อความที่ที่รายมาโดยสังเขมนี้เป็นหลักวิชากว้าง สำหรับการเอาชนะอารมณ์แต่อย่างไรก็ดีผู้ที่รู้เพียงแค่นั้นแม้จะรู้อย่างดีก็ยังไม่อาจเจ้าชนะอารมณ์ได้ผู้ที่สามารถเจ้าชนะอารมณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้คือหนึ่งจะต้องเป็นคนที่มีความปรารถนาสุจริตต่อคนทั้งปวง หรือผูอ้อญิในหนึ่งก็คือเป็นคนมีความเมตตาปราณีต่อคนทั่วไปเสมอความปรารถนาสุจริตความเมตตาปราณีเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการเอาชนะอารมณ์ซึ่งเราจะสังเกตได้จากพ่อแม่ของเราเองโดยธรรมดาบุคคลที่เป็นพ่อแม่จะมีความเมตตาปราณี และมีความปรารถนาสุจริตต่อลูกเสมอเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าพ่อแม่มักจะทนได้ต่ออารมณ์ต่างๆที่ลูกเป็นฝ่ายก่อขึ้นซึ่งการกระทำต่างๆที่ลูกกระทำ น, นั้นถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกแน่นอนย่อมทนไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะ พ่อแม่มีความเปรตตาปราณีต่อลูกอย่างลึกซึ้งนั่นเองจึงทนได้ในระหว่างพี่กับน้องสามีกับภรรยาเพื่อนกับเพื่อนที่รักกันด้วยความสุจริตใจและมีความหวังดีต่อกันอย่างแท้จริงนั้นเราจะพบว่าในระหว่างบุคคลเหล่านี้ได้มีความอดทนต่อกันและกันอย่างดีมาก แต่ตรงกันข้ามถ้าพ่อแม่คนใดมีความเมตตาปราณีน้อยเลี้ยงลูกอย่างเห็นแก่ตัวพี่น้องที่ไม่รักกันจริงเพื่อนที่ไม่สุจริตต่อกันในระหว่างบุคคลเหล่านี้เราจะเห็นว่ามีความอดทนต่อกันน้อยมักจะวู่วามหรือทำอะไรตามอารมณ์ได้ง่าย ผู้ที่ปรารถนาเจ้าชนะอารมณ์ข้อเท็จจริงพื้นพื้นเหล่านี้ควรจะเอาใจใส่ให้มากเพราะเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นง่ายๆถ้าหากว่าเราจะเป็นคนที่วู่วามเกิดโทสะได้ง่ายก็ขอให้นึกถึงพื้นอันนี้ว่าอาจจะเป็นเพราะเรามีความเมตตาปราณีน้อยก็เป็นได้สอง หลักการในการอาชนะอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือในชีวิตประจำวันจะต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อความดีบางคนมีอุดมคติว่าเงินชื่อเสียงและความสุขสาราญําคัญยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดเขามีชีวิตอยู่ก็เพื่อหวังผลในทางนี้เป็นจุดสำคัญซึ่งจะได้มาโดยวิธีไหนก็ต่าง จะสุจริตหรือชุจริตไม่คำนึงถึงคำนึงถึงแต่อย่างเดียวว่าขอให้ได้สิ่งเหล่านี้มาก็แล้วกันสำหรับบุคคลประเภทนี้จะตกเป็นทาสของอารมณ์ได้ง่ายที่สุดเพราะจุดหมายในการดำรงชีวิตของบุคคลประเภทนี้ผิดจากความเป็นจริงซึ่งความจริงมีอยู่ว่าวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย ความสุขความทุกข์มีรากฐานอยู่ที่วิญญาณผู้ที่มีวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริงส่วนผู้ที่มีวิญญาณไม่บริสุทธิ์ในใจเต็มไปได้วยความรู้สึกชั่วร้ายต่างๆบุคคลประเภทนี้ไม่ผิดกับหมาหัวเน่าซึ่งในหัวของมันมีหนอน หมาหัวเน่าแม้จะกินดีอยู่ดีสักเพียงใดก็ตามมันก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ความจริงของชีวิตแท้ๆเป็นอย่างนี้และหน้าที่ของมนุษย์ซึ่งโดยธรรมดาย่อมมีจิตใจสูงกว่าสัตว์นั้นควรจะมุ่งผลในทางความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจเป็นจุดหมายสำคัญแต่ ถ้าผู้ใดกลับไปหวังผลในทางวัตถุยิ่งกว่าผลในทางจิตใจผลที่ได้รับก็คือการตกเป็นทาสของอารมณ์คนที่ตกเป็นทาสของวัตถุยึดถือในเรื่องวัตถุเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นการที่ยึดถือที่ผิดนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับคนที่เพ้อฝันฝ่หาสิ่งที่ไม่มีจริงแน่ละ เขาย่อมประสบแต่ความหลอกลวงอยู่เสมอและผลที่ได้รับก็คือความล้มเหลวความผิดหวังความทุกข์ทรมานต่างๆคนที่มีพื้นฐานในทางจิตใจเสียอย่างที่เราเรียกว่าคนพื้นเสีย น, นั้นตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อม ง, ง่ายที่สุดอารมณ์เสียง่ายมากขอให้สังเกตจากผู้หญิงหรือผู้ชายบางคน ที่ผิดหวังในเรื่องความรักจนพื้นจิตใจเสียนั้นเขาอาจจะตัดสินใจทำอะไรผิดๆได้ง่ายมากเรื่องพื้นเสียอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการตั้งจุดหมายในชีวิตผิดนี้เป็นเรื่องที่ควรจะตั้งข้อสังเกตให้มากจุดหมายของพระพุทธศาสนามีอยู่สามอย่างคือละชั่วทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์จุดหมายสามอย่างนี้ควรจะเป็นจุดหมายของคนทุกคนคนที่ดำรงชีวิตอยู่เพื่อลาชั่วทำดีและทำใจให้บริสุทธิ์น้นตราบใดที่เขายังยึดมั่นอยู่ในจุดเหล่านี้เป็นจุดสำคัญของชีวิตชีวิตของเขาก็จะค่อยๆสะอาดและมีความผาสุกในด้านจิตใจดีขึ้นเป็นลำดับ โปรดจำไว้ว่าคนที่สามารถจะเอาชนะอารมณ์ได้ดีก็คือคนที่มีจิตใจสบายอยู่เสมอคนที่มีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีมีอนามัยดีย่อมมีความต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บได้ดีไม่เจ็บป่วยง่ายฉันใดคนที่มีสุขภาพทางจิตดี ก็ย่อมจะต้านทานต่ออารมณ์ได้ดีฉันนั้นสุขภาพทางจิตอันสมบูรณ์เป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการชนะอารมณ์ 3. หลักในการเอาชนะอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือการรู้จักมองคนในแง่ดีเสมอรู้จักแยกแยะความดีกับความชั่วออกจากกันได้ส่วนไหนดีก็นับถือ ไม่เอาความชั่วในแง่อื่นมาลบล้างความดีที่เขามีอยู่จริงๆคนที่มีนิสัยแบบนี้โดยปกติจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่สุ ข, ขุมและเยือกเย็นอย่างน่านับถือให้เกลียดใครจริงๆเพราะรู้จักมองคนในแง่ดีเสมอบุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลที่น่าสงสาร เพราะไม่รู้จักแยกส่วนที่ดีและไม่ดีไม่มองดูคนอื่นตามความเป็นจริงมองแต่ในทัศนะที่ตนเองยึดถือเขาเป็นคนสวมแว่นสีเขามองดูสิ่งต่างๆจากแว่นสีที่เขาสวมอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะรู้จักคนอื่นตามความเป็นจริงได้อย่างไรเมื่อไม่สามารถมองดูคนอื่นตามความเป็นจริง เพราะไม่ยอมถอดแป้นสีผลที่ได้รับก็คือสิ่งแวดล้อมจะจุงเขาไปได้ง่ายที่สุดและตกเป็นทาสของอารมณ์ได้ง่ายที่สุดอันหนึ่งตามหลักในเรื่องสังคคุณได้สอนให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีค่าควรแกการเคารพและความนับถืออย่างสูงนานก็คือความดีในด้านคุณธรรม บทสังฆคุณมีอยู่ว่าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามามิแปลว่ามูเหงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีข้าพเจ้าขอนอมน้อมบรรดาสาวกที่ปฏิบัติดีทั้งหลายเหล่านั้นจากเรื่องในสังฆคุณนี้ได้ชี้เห็นว่า คนที่จะได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีสาวกของพระพุทธเจ้ามีอยู่สี่ประเภทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในบรรดาบุคคลเหล่านี้ซึ่งมีทั้งพระและฆราวาสผู้หญิงและผู้ชายเด็กและผู้ใหญ่ใครก็ตามในกลุ่มคนเหล่านี้ ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีเราขอนอบน้อมหรือแสดงความนับถือทั้งสิ้นโปรดสังเกตดูว่าตามหลักพุทธศาสนาเรานับถือพระรัตนาตรายัยว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงยิ่งกว่าสิ่งใดถ้าเราสวดมนต์บทนี้ด้วยความเข้าใจและเลื่อมใสจริงๆก็หมายความว่า ในความรู้สึกอันแท้จริงของเรานั้นเรายกย่องความดีในด้านศิลธรรมให้อยู่เหนือสิ่งใดใดความมีเงินความมีชื่อเสียงหรือฐานะตาแหน่งใหญ่โตสักเพียงใดก็ตามก็หาได้มีคุณค่าสูงเท่ากับคุณค่าในทางศิลธรรมไม่ผู้ที่มีความรู้สึกอย่างจริงใจเช่นนี้ จะเป็นบุคคลที่เอาชนะอารมณ์ได้ง่ายแต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าการรู้จักแยกแยะความดีและความชั่วออกจากกันส่วนไหนดีเราก็บอกว่าดีและนับถือด้วยความจริงใจส่วนไหนไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีแต่ก็รู้จักให้อภัยเพราะความไม่ดีอย่างที่คนอื่นมีอยู่นานเราอาจจะทำมาแล้ว หรืออาจจะทำต่อไปในการข้างหน้าก็เป็นได้และในที่สุดก็คิดได้ว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ดีอย่างนี้คิดเฉลี่ยแล้วต่างก็เป็นคนไม่ดีเหมือนกันหรือไม่เช่นนั้นก็คิดได้ว่าธรรมดาคนที่ยังหลงผิดเพราะไม่ได้รับการศึกษาหรือตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนั้น ก็อาจจะทำความชั่วได้ทุกคนเขาอย่างไรเราก็อย่างนั้นถ้าคิดได้เช่นนี้จะทำให้เรารู้จักให้อภัยคนและมองคนในแง่ดีได้เสมอการสวบดบทสังฆ ค, คุณได้ความเข้าใจและเลื่อมใสจะทำให้ได้ผลในการรู้จักเอาชนะอารมณ์ได้ดีอย่างหนึ่งส หลักการในการเอาชนะอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือการหัดให้เป็นคนมีนิสัยจะทำอะไรให้นึกถึงปัจจัยก่อนที่จะทำตามใจตนมีบาลีอยู่บทหนึ่งว่ายะถาปัจยยางประวัตตันติสิ่งทั้งหลายย่อมเป็นไปตามปัจจัยคนโดยมากชอบทำอะไรตามใจตน โดยไม่เน้นึกถึงปัจจัยว่าควรจะเป็นไปได้หรือไม่คนที่ทำอะไรโดยนึกถึงปัจจัยคือเหตุผลและพยายามทำตามเหตุผลจะได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่เหตุผลถ้าหัดให้เป็นคนมีนิสัยอย่างนี้เกือบจะพูดได้ว่าการชนะอารมณ์ได้อยู่ในก ร, รมมือของท่านผู้นั้นแล้ว ความยากลำบากในเรื่องที่จะทำอะไรให้เป็นไปตามเหตุผลนี้อยู่ตรงที่เราตัดความอยากและความยึดถือไม่ได้ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของตนเองไม่ลึกซึ้งพอผู้ที่จะเข้าใจเรื่องจิตใจได้ลึกซึ้งนั้นก็ต่อเมื่อ ได้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาอย่างดีแล้วเท่านั้นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจเรื่องจิตใจของตนเองได้ลึกซึ้งพอเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักวิชาที่จําเป็นสําหรับคนทุกคนในบทสังฆคุณมีอยู่ตอนหนึ่งว่า ยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆแปลว่าหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะรู้สิ่งที่ควรรู้คําว่ายายแปลว่าสิ่งที่ควรรู้ซึ่งสิ่งที่ควรรู้ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงอธิบายไว้ว่าได้แก่เรื่อง ปฏิจจสมุปบาทและนิพพานจากบทสังคคุณในตอนนี้สอนให้เราเข้าใจว่าผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นก็ต่อเมื่อได้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทจนเข้าใจดีและเข้าใจเรื่องนิพพานอย่างถูกต้องการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจะช่วยให้อ่านจิตใจเขาตนเองได้กระจ่างมากผู้ที่เข้าใจจิตใจเขาตนเองได้กระจ่างแจ้งเท่านั้นจึงจะสามารถเอาชนะอารมณ์ได้พูดง่ายๆว่าผู้ที่อ่านจิตใจเองตนเองได้ก็สามารถที่เอาชนะอารมณ์ของตนเองได้เหมือนกับว่า ถ้าเราเข้าใจจิตใจของผู้ใดได้แจ่มแจ้งการที่จะเอาชนะใจผู้นั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ที่จะเอาชนะอารมณ์ได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจจิตใจของตนเองได้แจ่มแจ้งแต่การที่จะเข้าใจเรื่องจิตใจได้แจ่มแจ้งก็ต่อเมื่อ เราสามารถเข้าไปให้ถึงเบื้องหลังของความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงแต่เรื่องนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาเรื่องนิพพานให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นแต่เพราะเหตุที่เรื่องนี้เป็นเรื่องยากและน้ากระดาษจำกัดจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ข้อความต่างๆที่อธิบายมาโดยสังเขปนั้นเป็นหลักวิชากว้างๆและเป็นหลักการปฏิบัติใหญ่ๆสำหรับการเอาชนะอารมณ์ซึ่งถ้าจะพูดโดยละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องที่ยาวมากแต่อย่างไรก็ดีข้อความสั้นๆที่กล่าวมานั้นถ้าท่านพยายามอ่านให้เข้าใจตลอด ก็จะได้หลักสำหรับการเอาชนะอารมณ์ได้อย่างเพียงพอเหมือนกันโดยปกติผู้ที่สามารถเอาชนะอารมณ์ได้นอกจากจะต้องเข้าใจหลักวิชาและหลักปฏิบัติต่างๆดังที่ได้อธิบายมาเป็นอย่างดีแล้วสิ่งที่จะต้องสนใจเป็นพิเศษอีกอย่างก็คือเคล็ดในการเอาชนะอารมณ์ หรือผูอ้หิงนหนึ่งคือเทคนิคแห่งการเอาชนะอารมณ์ซึ่งเป็นการอธิบายอย่างละเอียดถึงหลักการและวิธีการในการที่จะทำให้การเอาชนะอารมณ์เป็นผลสําเร็จผู้ที่ไม่เข้าใจถึงเทคนิคแห่งการเอาชนะอารมณ์ย่อมไม่อา จ, จเอาชนะอารมณ์ได้ข้อความที่จะบรรยายต่อไปนี้ เป็นการอธิบายให้เข้าใจถึงเทคนิคแห่งการเอาชนะอารมณ์โดยเฉพาะข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าการตกเป็นทาสของอารมณ์ก็คือการตกเป็นทาสแทงอุปาทานของตนนั่นเองอารมณ์ต่างๆจะมีที่พลนเหนือจิตใจได้ก็เพราะไปะยึดถือความหมายต่างๆตามที่เคยอบรมมา อย่าลืงว่าอารมณ์ที่เข้าไปสู่ใจก็คือความหมายที่ใจยึดถือถ้าไปยึดถือในความหมายต่างๆตามที่เคยอบรมมาอารมณ์ก็ไม่อาจมีที่พ้นเหนือจิตใจได้ตกเป็นธาตุของอารมณ์ก็คือตกเป็นธาตุของอุปาทานหลักอันนี้ พยายามศึกษาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพราะปรากฏว่าผู้ที่ตกเป็นทาสของอารมณ์ง่ายที่สุดนั้นก็คือผู้ที่โง่ต่อจิตใจของตนเองเพราะฉะนั้นเทคนิคใงการเอาชนะอารมณ์อย่างหนึ่งก็คือต้องพยายามอ่านอารมณ์ของตนให้เข้าใจตลอดอ่านใจตนเองให้ทะลุโปรดจำไว้ว่า หลักอันนี้สําคัญที่สุดผู้ที่อ่านอารมณ์หรืออ่านใจของตนเองเข้าใจโดยตลอดเท่านั้นจึงจะสามารถเอาชนะอารมณ์ได้แต่ปัญหาสําคัญมีอยู่ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถอ่านใจของตนเองให้เข้าใจได้โดยตลอดและทะลุปลุกปลมที่จริงการที่จะสามารถอ่านใจของตน ให้เข้าใจได้จริงๆนั้นจะต้องได้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้เข้าใจจิตใจของตนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวและค่อนข้างยากฉะนั้นจึงงดที่จะไม่พูดถึงแต่อย่างไรก็ดีข้อสังเกตต่อไปนี้บางทีจะช่วยให้ท่านรู้จักอ่านใจของตนได้ดีขึ้น โปรดสังเกตว่าคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายใจน้อยนั้นมักจะเป็นคนมีนิสัยชอบทำอะไรเอาแต่ใจของตนถ้าต้องการสิ่งใดก็มักจะนึกแต่ในแง่ที่จะเอาท่าเดียวส่วนในแง่อื่นที่ขัดแย้งกับความต้องการของตนแม้จะมีเหตุผลดีสักเพียงไรก็ไม่คำนึงถึง ท่านลองพยายามแยกแยะความรู้สึกของคนประเภทนี้ออกพิจารณาดูแล้วท่านจะพบข้อเท็จจริงหลายอย่างซึ่งจะทำให้ท่านพบเทคนิคแห่งการเอาชนะอารมณ์ได้ด้วยตัวของท่านเองข้อเท็จจริงที่จะหาได้จากบุคคลประเภทนี้มีดังต่อไปนี้หนึ่ง เป็นคนคิดแต่ในแง่ของตัวส่วนในแง่ของคนอื่นไม่คิดและไม่พยายามที่จะคิดด้วยโดยธรรมดาบุคคลประเภทนี้มักมีการศึกษาแคบหรือศึกษามากกว้างแต่ก็ศึกษาเฉพาะแต่ในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ยึดมั่นในแง่ที่ตนเองศึกษามาไม่มีพื้นที่จะคิดในแง่อื่น ไม่รู้จักมองจากทัศนะของคนอื่นเป็นพวกทางเดียวบุคคลประเภทนี้ถ้ามีอะไรมาขัดใจจะโกรธง่ายมากการที่จะแก้อารมณ์ประเภทนี้ยังอยู่ที่ต้องหันให้เป็นคนรู้จักฟังความคิดของคนอื่นและมันศึกษาหาความรู้รอบตัวให้มากวิชาใดๆที่คนอื่นเขารู้กัน เราจะต้องพยายามศึกษาว่าจจึงจะเป็นคนใจกว้างได้แต่ระวังความรู้ประเภทที่ไม่สุขคือไม่รู้จริงแล้วกระจดจำไว้เอาไปเถียงกับคนอื่นหรือยึดมัด่นวยความแน่ใจว่าเป็นความรู้ที่ถูกโปรดสังเกตว่าคนที่รู้อะไรจริงนั้นเป็นคนใจเย็นและไม่จำเป็นจะต้องยึดสิ่งที่รู้มา เพราะถ้าเขาแน่ใจว่าที่รู้มานั้นถูกต้องความคิดก็จะอยู่ตัวเองและทนได้ต่อการขัดแย้งต่างๆคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเพราะเอาแต่ในแง่ตนเองนั้นวิธีที่จะแก้ก็คือจงพยายามหัดคิดในแง่ของคนอื่นก่อนที่จะคิดในแง่ของตัวเองอันหนึ่ง เพราะเหตุที่การที่คนเราจะคิดได้หลา ย, ลายแง่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาถ้าศึกษามาแคบหรือศึกษามาน้อยก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะคิดหลา ย, ลายแง่ย่อมทำไม่ได้แต่อย่างไรก็าตามยังมีตัวอย่างที่เห็นกันอยู่เสมออย่างหนึ่งกล่าวคือคนที่มีการศึกษามามาก แต่ก็เป็นคนคิดแต่ในแง่ของตัวเท่านั้นฟังความคิดของคนอื่นไม่เข้าใจและไม่พยายามที่จะเข้าใจด้วยคนอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันซึ่งตรงกันข้ามกับบางคนทั้งที่มีการศึกษาน้อยแต่ก็ใจกว้างรู้จักฟังความคิดเห็นของคนอื่นและเข้าใจได้ด้วยไม่ยึดมั่นแต่ในทัศนะของตน ถ้าท่านเอาตัวอย่างทั้งสองนี้มาเปรียบเทียบกันดูแล้วท่านจะพบความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่คิดแต่ในแง่ของตนก็คือบุคคลประเภทที่ยึดมั่นแต่ในประโยชน์ของตนเป็นคนมีนิสัยเห็นแก่ตัวการที่เขาไม่ยอมเชื่อตามคนอื่นก็เพราะกลัวว่าประโยชน์ของตนจะเสียไปบุคคลประเภทนี้ แม้จะมีการศึกษามามากก็ช่วยตัวเขาเองได้ยากมากการจะแก้ที่ัยบุคคลประเภทนี้มีอยู่อย่างเดียวคือต้องหัดให้เป็นคนรู้จักการเสียสละช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเมตตาปราณีโปรดสังเกตว่าการบริจาคทานหรือการสงเคราะห์คนอื่นเพื่อหวังผลตอบแทน หรือหวังเอาสวรรค์ในชาติหน้านั้นไม่อาจช่วยแก้นิสัยอันนี้ให้หายได้สองเป็นคนมีพื้นจิตใจต่ำมีคุณธรรมอยู่ในใจน้อยคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายนั้นมีข้อที่สเกตเห็นได้ง่ายอีกอย่างคือเป็นคนใจต่ำซึ่งหมายถึงว่า ในใจของเขานั้นมีคุณธรรมน้อยมากแต่มีอาธรรมคือความรู้สึกชั่วร้ายแฝงอยู่มากมายลูกที่ขาดความกะตันอยู่ต่อพ่อแม่สิทธิ์ที่ขาดความเคารพต่อครูหรืออาจารย์ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาถูกพ่อแม่หรือครูลงโทษว่ากล่าวตักเตือนจะโกรธง่ายหรือขึ้นเสียงเถียงโดยไม่ฟังเหตุผล ไม่รู้จักกาละเทสะคนที่มีทิฏฐิมานะจัดทั้งๆ ท, ที่ตนเองก็ไม่วิเศษอะไรแต่ใครมาเตือนไม่ได้ไปโกรธขึ้นมาทันทีผู้ใหญ่ที่เด็กๆเกตือนไม่ได้ทั้งที่ทำอะไรผิดบุคคลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีคุณธรรมอยู่ในใจน้อยทั้งสิน้นอันหนึ่ง มีข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าบางคนทั้งที่มีการศึกษาสูงและมีคุณธรรมมากแต่ปรากฏว่าเป็นคนโกรธง่ายใจน้อยก็มีซึ่งทำให้คิดว่าความโกรธง่ายใจน้อยนั้นไม่จำเป็นจะต้องเรื่องมาจากการใจต่ําหรือการศึกษาน้อยเสมอไปแต่อย่างไรก็ดี แม้ตัวอย่างจะมีอยู่เช่นนี้จริงๆแต่ท่านก็ควรจะพิจารณาดูให้ลึกซึ้งแล้วท่านจะพบว่าคนที่เรากล่าวว่าเขาเป็นคนศึกษามามากและเป็นคนจิตใจสูงน้นความเป็นจริงการศึกษาของเขาอาจจะมากจริงแต่สิ่งที่เรียนมานั้นส่วนมากไม่รู้จริง เป็นคนเรียนมากวิชาเท่านั้นแต่วิชาแต่ละอย่างที่เรียนมานานไม่มีอะไรที่รู้อย่างลึกซึ้งจริงๆตัวอย่างง่ายๆเช่นคนซื่อทางที่ถูกควรจะต้องมีความฉลาดทันคนด้วยความซื่อจิงจะให้ผลโดยสมบูรณ์แต่คนซื้อที่ขาดความฉลาดหรือคนฉลาดที่ขาดความซื่อนั้น เราเห็นกันแล้วว่าทั้งความซื่อและความฉลาดที่เขามีอยู่แต่ไม่สมดุลกันนั้นต่างก็เป็นภัยแก่คนที่มีเท่าๆกันเราจะบอกว่าความซื่อหรือความฉลาดที่เขามีนั้นไม่ดีไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างต่างก็เป็นคุณธรรมเหมือนกันแต่เพราะเหตุที่ไม่สมดุลคุณธรรมจึงได้กลายเป็นพิษขึ้นมาได้ ตัวยาแต่ละอย่างซึ่งต่ก็มีสรรพคุณไปคนละอย่างถ้านำมาประกอบกันเป็นยาไม่ถูกส่วนคือไม่พอดีไม่ตรงตามตำรับที่ได้กล่าวไว้เราก็จะเห็นแล้วว่ายานั้นนอกจากจะรักษาโรคไม่หายแล้วอาจจะเป็นอันตรายแก่คนที่ใช้อีกด้วยตามหลักวิชาของพระพุทธศาสนา ทาต่างๆก็คือยาแต่ละขนาดคนที่จะใช้ทําให้เกิดผลจะต้องรู้จักวิธีใช้ด้วยเช่นจะปฏิบัติในเรื่องพรหมวิหารจะต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะและจะต้องใช้ทั้งสี่ข้อและโดยเฉพาะข้อสุดท้ายคือเบิกขาจะต้องใช้คู่กันไปกับเมตตากรุณามุทิตา ทุกครั้งดังนี้เป็นต้นคนที่เรากล่าวถึงว่าเป็นคนมีคุณธรรมสูงนั้นอย่าลืมว่าจะต้องมองดูในแง่นี้ด้วยจากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ถ้าจะได้ข้อคิดสำหรับใช้เป็นเทคนิคในการเอาชนะอารมณ์ก็คือเพราะมีพื้นกิตใจต่ำมีคุณธรรมน้อยจึงได้เป็นเช่นนี้ ทุกครั้งที่เราเกิดความโกรธหรือเห็นใครเกิดความโกรธจงพยายามคิดอย่างนี้แล้วท่านจะเห็นความจริงในเรื่องนี้กระจจาขึ้นซึ่งจะเป็นทางทาให้ความโกรธในใจของเราน้อยลงไปทุกที 3. เป็นเพราะมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแฝงอยู่และไม่รู้สึกตัวคนที่ฉุนเฉียวโกรธง่ายนั้น ยังมีข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างกล่าวคือทุกครั้งที่เกิดความโกรธจะต้องมีสาเหตุเนื่องมาจากความเข้าใจผิดไม่อย่างใดเขาอย่างหนึ่งเสมอคําว่าเข้าใจผิดในที่นี้หมายความว่าเข้าใจไม่ถูกจุดที่ควรจะเข้าใจหรือหมายถึงมีความเข้าใจไม่พอรู้ไม่ตลอดปรดสังเกตดูว่า คนที่เถียงกันด้วยความเข้าใจผิดนั้นต่างคนต่างข้ออ้างความจริงที่ตนรู้มาซึ่งบางทีก็ถูกต้องด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้เพราะต่างฝ่ายต่างอ้างมาคนละแง่ซึ่งแงน่ต่างๆที่อ้างมานั้นตกลงกันไม่ได้เพราะต่างฝ่ายก็ไม่รู้ถึงความจริงแท้ๆของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งถ้ารู้แล้วการโต้เถียงก็จะยุติลงด้วยดีเข้าใจไม่ถึงรู้ไม่ตลอดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้คนเราต้องทะเลาะ ก, กันและคนเราที่หลงโกรธกันเพราะเข้าใจไม่ถึงรู้ไม่ตลอดนี้มีมากทีเดียวข้อเท็จจริงอันนี้ควรจะสังเกตไว้ให้มากอันหนึง่ง เวลาเกิดโทสะคนโบราณนักพูดว่าเกิดโมโหคาว่าโมโหมาจากคาว่าโมหะโมหะแปลว่าหลงผิดหรือเข้าใจผิดคาพูดประโยคนี้เป็นคติสอนใจอย่างลึกซึ้งทุกครั้งที่เกิดโทสะนั้นหมายความว่าได้แสดงความโง่ออกมาแล้วเกิดโมโหก็คือเกิดโง่ เป็นเพราะเราเข้าใจผิดอะไรหนอจึงได้เกิดโทสะเช่นนี้เกิดโมโหก็คือเกิดโง่คาพูดประโยคนี้สําหรับผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งก็สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไขโทสะของตนเองได้อย่างดีแต่อย่างไรก็ดีคนที่เกิดโทสะแล้วเข้าใจว่าตนเองถูกนั้นควรจะสำนึกไว้เสมอว่า ในความเข้าใจที่ว่าถูกนัน่นจะต้องมีความเข้าใจผิดแทรกอยู่ด้วยเสมอถ้าหากความเข้าใจถูกอันนั้นเป็นเหตุให้เกิดโทสะเทคนิคนการเอาชนะในเรื่องความโกรธอย่างนี้ก็คือเกิดโมโหก็คือโกรธโง่เราเข้าใจผิดอะไรหนอจึงได้เกิดโทสะเช่นนี้ทุกครั้งที่เกิดโทสะ ขอให้พยายามคิดอย่างนี้แล้วพยายามหาเหตุผลว่าเป็นเพราะเข้าใจผิดอย่างไรหรือมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้จึงได้เกิดโทสะเช่นนี้เมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆนานไปก็จะสามารถแก้ความโกรธได้เอง 4. เป็นคนมีนิสัยใจร้อนมาแต่กำเนิด ต้องการอะไรก็ต้องเอาให้ได้เดี๋ยวนั้นความที่มีนิสัยใจร้อนต้องการอะไรก็จะต้องเอาให้ได้เดี๋ยวนั้นโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลหรือกาลเทศะว่าควรหรือไม่ควรมีทางที่จะได้หรือไม่ได้บุคคลประเภทนี้จะเห็นได้ชัดว่าเวลาถูกขัดใจแม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ก็จะโกรธขึ้นมาทันทีนิสัยอย่างนี้ก็คือวิบากของกรรมในอดีตซึ่งอาจจะเป็นอดีตคือในสมัยที่เป็นเด็กหรืออดีตคือในชาติก่อนก็ตามสำหรับนิสัยอย่างนี้ก็คือวิบากของกรรมอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองคนที่เกิดมาในตระกูลที่พ่อแม่ร่ารวยหรือมีอานาจพ่อแม่รักมาก มีคนคอยเอาใจใส่อยู่เสมอเมื่อมองดูในแง่หนึ่งก็กล่าวได้ว่าเขาเป็นคนมีบุญได้สร้างสมบุญไปมากจึงได้มาเกิดในที่อย่างนี้แต่ถ้ามองดูอีกแง่หนึ่งแล้วจะเห็นว่าเขาไม่ใช่คนมีบุญอย่างแท้จริงเพราะผู้ที่ถูกตามใจจนเคยชินและเสียนิสัยนั้นจะเห็นได้ชัดว่า เป็นเพราะพื้นเดิมขาดคุณธรรมหลายอย่างเช่นถ้าพื้นเดิมมีทุนในทางความขยันน้อยขาดความสุภาพและความอ่อนโยนไม่มีความรอบรู้ในเรื่องของชีวิตอย่างลึกซึ้งคนที่บกพร่องในเรื่องเหล่านี้ถ้าได้รับการตามใจมากสุขสบายมากจะต้องเสียดิสัยทุกคนเรื่องกิ้งก่าได้ทอง เป็นนิทานตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าคนที่มีคุณธรรมไม่พอที่จะเป็นใหญ่หรือมีความสุขอย่างแสนสําราญนั้นการยกย่องให้เป็นใหญ่การปรนเปรยให้มีความสุขอย่างมากมายนั้นแทนที่จะเป็นผลดีแก่ชีวิตกลับจะเป็นผลร้ายคนที่เกิดมามีนิสัยใจร้อนมาแต่กำเนิด ก็คือคนที่เคยเป็นใหญ่มาในอดีตเคยมีความสุขอย่างมากแต่เป็นเพราะมีคุณธรรมไม่พอจึงได้กลายเป็นคนมีนิสัยใจร้อนเอาแต่ใจตนเองเรื่องนี้ควรจะเป็นข้อที่น่าสังเกตสำหรับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอย่างตามใจซึ่งต่อมาภายหลังลูกมีนิสัยเสีย เรื่องนี้ควรจะโทษพ่อแม่มากกว่าโทษลูกสำหรับการแก้นิสัยอย่างนี้ไม่ยากอะไรถ้าหากรู้สานึกตัวได้ดีว่าถ้าตนเองยังมีคุณธรรมไม่พอที่จะเป็นใหญ่หรือเสวยความสุขอย่างแสนสํ้รานก็อย่าไปริ อ, อานดิ่นรนเพื่อความเป็นใหญ่หรือแสวงหาความสุขให้มากนัก ตามนิยาชาดกเคยมีปรากฏว่าพระโพธิสัตว์ทั้งที่มีบุญญาที่การอันยิ่งใหญ่สามารถเกิดในตระกูลอันสูงสัตว์อย่างไรก็ได้แต่ในบางชาติกลับไปเกิดในตระกูลที่ยากจนก็มีนิทานชาดกอย่างนี้เป็นคติสอนใจสำหรับผู้เสวยอำนาจได้อย่างดี ถ้าปราถนาจะมีอำนาจ ย, ายั่งยืนก็จงนึกถึงคติอย่างนี้ให้มากและสำหรับคนที่มีนิสัยใจร้อนอยู่แล้วซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโมโหบ่อยๆนั้นมีทางที่จะแก้ได้อย่างนี้คือจงพยายามพบกับคนที่ผิดหวังหรือคอยแต่จะผิดหวังอยู่เสมอบ้างเพื่อเรียนให้รู้ถึงชีวิตของคนประเภทนี้บ้าง และหาโอกาสช่วยเหลือคนประเภทนี้บ้างความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ที่ยากจนค้นแค้นน้นเป็นการพ่อนิสัยให้เรารู้จักความพอดีพอใจในการดำรงชีพได้ดีที่สุดและอย่าพยายามหาความสุขให้มากนะักถ้ารู้สึกว่าจิตใจของตนยังไม่สูงพอและทุกครั้ง ก่อนที่จะทำอะไรหรือทำอะไรผิดหวังต้องนึกถึงคำบาลีบทนี้ไว้เสมอคือยะถาปัจจยางประวัตตันติสิ่งทั้งหลายย่อมเป็นไปตามปัจใจไม่ใช่เป็นไปตามใจหเป็นคนมีนิสัยรักหรือเกลียดอะไรรุนแรงคนที่มีนิสัยฉุนเฉียวโกรธง่ายใจน้อย มีลักษณะที่สังเกตเห็นได้ง่ายอีกล่าวคือถ้าลงว่ารักใครหรือรักอะไรก็รักอย่างมากแต่พอถึงขาวเกลียดก็เกลียดมากที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมีสติปัญญาต่ำคิดอะไรก็มักคิดแต่ในแง่เดียวและคิดตื้นตื้นบุคคลประเภทนี้ที่มีอารมณ์รุนแรงและคิดตื้นเช่นนี้ โดยมากมักเปลี่ยนใจง่ายแต่ถ้าเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงเพราะคิดลึกแล้วเปลี่ยนใจยากคือถ้าลงว่ารักก็รักอย่างฝังใจแต่พอถึงบทเกลียดก็เกลียดอย่างเข้ากระดูกดําถอนความรู้สึกออกได้ยากคนที่มีอารมณ์รุนแรงนั้นขอให้นึกถึงว่ากระแสน้ําที่ไหลาทางเดียว และทางน้ำไหลชันด้วยกระแสน้ำย่อมจะไหลแรงชันใดคนที่ไม่มีทางไปทางอื่นมีทางเดินเพียงทางเดียวไม่มีทางเลือกและเหตุการณ์ก็คอยเร่าความรู้สึกในทางนั้นอยู่เสมอความรู้สึกย่อมจะรุนแรงเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนมีคุณธรรมเป็นพื้นอยู่มากความรุนแรงก็เบาลง แต่ถ้าไม่มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานอยู่อย่างเพียงพอแล้วบุคคลประเภทนี้น่ากลัวไม่น้อยถ้าใครไปทาให้ผิดหวังเขาอาจเอาถึงตายหรือไม่ก็จะทำให้เกิดความลำบากไม่น้อยทีเดียวรักน้อยนอยแต่รักนานๆานควรจะเป็นคติของคนทุกคนที่จะริอ่านในเรื่องความรัก และหวังจะครองรักให้อยู่นานๆตามหลักวิชาของพระพุทธศาสนาได้พิสูจน์ไปแล้วว่าความรักกับความโกรธหรือความเกลียดนั้นคือสิ่งสิ่งเดียวกันแต่ที่เห็นเป็นต่างกันก็พระมองดูคนละแง่และคนละคราวในเรื่องสังโยตกล่าวไว้ว่าราคะกับปฏิฆะเป็นกิเลส ท, ที่ละได้พร้อมกัน ถ้าตัดอันหนึ่งได้ก็ตัดอีกอันหนึ่งได้ขอให้สังเกตว่าคนที่ไม่ยินดีในคำสรรเสริญก็ย่อมไม่ยินร้ายในคำนินทาถ้าตัดรักได้ก็ตัดโกรธได้หรือเมอตัดโกรธได้ก็ย่อมตัดรักได้หลักวิชาต่างๆเหล่านี้โปรดสังเกตไว้ให้มากเพราะคนส่วนมากมักไม่เข้าใจว่า ความรักกับความโกรธไม่เหมือนกันไม่ใช่สิ่งสิ่งเดียวกันคนที่ไม่เข้าใจถึงขั้นนี้ย่อมไม่อาจเจ้าชนะความโกรธได้ความโกรธมาจากความรักเราจะมองเห็นได้จากตัวอย่างที่พูดกันว่าเพราะรักมากจึงได้โกรธมากแต่ถ้าจะพูดว่าความรักมาจากความโกรธคนส่วนมากมองไม่เห็น แต่ถ้าเข้าใจว่าความโกรธก็คือความไม่พอใจโดยธรรมดาเมื่อไม่พอใจในสิ่งใดหรือเพราะอะไรถ้าตรงกันข้ามแล้วเป็นต้องพอใจถ้าเข้าใจได้เช่นนี้ก็จะมองเห็นว่าที่จริงความรักก็มาจากความโกรธเหมือนกันตรงนี้กรุณาคิดให้มาก เมื่อใดท่านจับได้ว่าจริงแล้วความรักมาจากความโกรธเมื่อนั้นท่านจะพบความหลอกลวงแห่งเหตุผลที่ท่านใช้อยู่เสมอซึ่งเหตุผลอันนั้นแหละที่ทำให้ท่านต้องโกรธบ่อยๆรักมาจากโกรธโกรธมาจากรักคติสั้นๆ น, นี้เป็นเทคนิคแห่งการเอาชนะอารมณ์ได้อย่างวิเศษมาก ถ้าหากท่านเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งจริงๆอันนึ่งเมื่อพูดถึงคำว่ารักโปรดอย่าเข้าใจแต่เพียงแคบๆว่าหมายถึงความรักระหว่างเพศเท่านั้นรักตัวรักชื่อเสียงรักอุดมคติรักความนึกคิดรักกิริยามารยาทรักความสุขรักตาจมูกลิ้นและกาย ก็เรียกว่ารักในที่นี้โปรดสังเกตดูว่าทุกครั้งถ้ามีใครมาขัดกับสิ่งที่ตนรักต่างๆเหล่านี้ความโกรธหรือความไม่พอใจเป็นต้องเกิดขึ้นทันทีแต่จะมากหรือน้อย น, นั้นขึ้นอยู่กับรักมากหรือน้อยถ้ารักมากก็โกรธมากถ้ารักน้อยก็โกรธน้อยคนที่ไม่เข้าใจว่า ความโกรธมาจากความรักนั้นมักจะหลงโกรธคนอื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเช่นลูกที่โกรธพ่อแม่เพราะถูกดุหรือถูกบังคับสิทธิ์ที่โกรธครูอาจารย์เพราะถูกลงโทษนานถ้าเขาซึ้งในความรักของพ่อแม่ซึ้งในความรักของครูที่มีต่อตนจริงๆแล้วเขาจะโกรธพ่อแม่ โกรธครูอาจารย์ไม่ได้เลยเป็นอันขาดแต่ที่โกรธหรือบางทีก็เสียใจอย่างมากนั้นเป็นเพราะเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่รักตนครูอาจารย์ไม่รักตนหรือบางทีก็เข้าใจว่าพ่อแม่และครูอาจารย์ลำเอียงซึ่งความเป็นจริงแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ดี ย่อมมีความรักความเมตตาปราณีอย่างลึกซึ้งทีเดียวคนที่พ่อแม่ไม่เคยอาใจใส่ Wet Pakistan inside. สิทธิ์ที่ครูไม่ค่อยเอาใจใส่นั้นโปรดสังเกตว่าถ้าไม่ใช่เป็นเพราะไม่มีเวลาจะมาเอาใจใส่แล้วเหตุอีกประการหนึ่งก็คือเป็นเพราะไม่รักหรือรักน้อยไปเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่หรือครูอาจารย์ มีความโกรธเกิดขึ้นเพราะยังอยู่ในฐานะของปุถุชนนั้นก็เนื่องมาจากความรักนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามพ่อแม่หรือครูอาจารย์ที่มีความกรุณาและเข้าใจชีวิตของคนอื่นได้ดีนั้นแม้จะไม่มีความพอใจอย่างไรโดยมากก็อดทนได้เสมอ ความรักย่อมประกอบด้วยความต้องการและความยึดถือธาตุแท้ของความรักก็คือความต้องการและความยึดถือนั่นเองในขณะที่ความรักเกิดขึ้นขอได้โปรดสังเกตดูใจของตนแล้วจะพบว่าที่รักคนนั้นคนนี้ก็เพราะถือว่าเขาสวยเขารวยหรือเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้ความสวยความรวย หรือความดีอะไรก็าตามที่เขามีอยู่ถ้าหากไม่เป็นที่ต้องการก็จะไม่รักแต่ถ้าเป็นจุดที่ตนต้องการและมีหวังที่จะได้ด้วยความรักจะเกิดขึ้นทันทีส่วนจะรักมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการมากหรือน้อยถ้าต้องการมากๆ และคนคนนั้นก็มีสิ่งที่จะสนองความต้องการได้มากซึ่งตนมีหวังที่จะได้จริงๆความรักก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจะรู้สึกรักมากแต่ถ้าต้องการน้อยหรือคนคนนั้นสนองความต้องการได้น้อยความรักก็จะน้อยลงตามส่วนเพราะเหตุที่ทาตแท้ของความรัก ก็คือความต้องการและความยึดถือดังที่กล่าวมานี้เราจึงควรจะต้องตั้งข้อสังเกตดูว่าถ้าใครเขารักเราหรือเรารักใครก็ควรจะต้องแยกท่าของความรักออกพิจารณาดูว่าเพราะต้องการอะไรหรือยึดถืออะไรจึงได้มีความรักเกิดขึ้นเช่นนี้การแยกท่าของความรักออกพิจารณาดู จะทําให้ท่านเข้าใจตัวความรักดีขึ้นซึ่งถ้าเมาื่อใดท่านอ่านความรักเข้าใจได้โดยตลอดเมื่อ น, นั้นท่านก็จะไม่ตกเป็นทาสของความรักและความโกรธต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปรื่อยความรักย่อมประกอบด้วยความต้องการและความยึดถือคติสั้นๆ น, นี้มีประโยชน์มากมาย ถ้าท่านซึ้งในบทนี้ก็หมายความว่าท่านได้เทคนดคกแห่งการเอาชนะอารมณ์อีกอย่างหนึ่งแล้วแต่อย่างไรก็ตามท่านควรจะพิจารณาต่อไปให้ซึ้งว่าความต้องการและความยึดถือของตอนนั้นถูกต้องมีเหตุผลสมควรหรือไม่ถ้าปรากฏว่าท่านจับได้ว่าความต้องการและความยึดถือนั้นผิด รู้สึกว่าผิดจริงๆความรักที่หลอมตัวขึ้นมาในลักษณะ น, นี้ก็จะสลายตัวแน่นอนต้องการอะไรจากเขาเขาดีอย่างไรเราจึงได้รักเขาปัญหาต่างๆทำนองนี้ต้องมันถามตนเองบ่อยๆแล้วท่านก็จะค้นพบความเข้าใจผิดจากใจของท่านเองอันหนึง่ง ควรจะรู้ไว้ด้วยว่าวิสัยของปูติชนถ้าจะยึดถืออะไรก็มักเกินพอดีหรือไม่ก็ขาดความพอดีหรือไม่ก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงท่านลองตั้งข้อสังเกตทั้งสามอย่างนี้ไว้ให้ดีและท่านจะพบได้เองว่าความยึดถือซึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งของความรักนั้นจะต้องถูกแทรกไว้ด้วยความโง่ ความเข้าใจผิดความรู้เท่าไม่ถึงการส่วนธาตุอีกอันหนึ่งของความรักคือความต้องการนั้นก็มักจะมีสาเหตุมาจากความเห็นแก่ตัวที่พูดกันว่ารักแท้ย่อมมีการเสียสละฟังดูแล้วรู้สึกไพเราะหูและรู้สึกว่าเป็นจริงแต่ความเป็นจริงแล้ว การเสียสละเพื่อความรักนั้นเป็นเพียงวิธีการอันหนึ่งที่จะเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรักในตนมากขึ้นเพื่อเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการจากคนที่เขารักมากขึ้นในวิสัยของปุถุชนเป็นการยากมากที่จะมีการเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างน้อยที่สุด การเสียสละเพื่อความรักนั้นแม้บางคนจะไม่หวังได้อะไรจากคนที่ตนรักแต่บุคคลประเภทนี้ก็มีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคนยิงในเกียรติของตนบูชาอุดมคติยิ่งกว่าชีวิตบุคคลประเภทนี้ในสายตาของคนธรรมดามองเห็นเขาว่า เขาเป็นคนเสียสละอย่างบริสุทธิ์แต่ในกลุ่มของปัญญาชนด้วยกันเขาจะมองเห็นว่าคนประเภทนี้มีความต้องการและมีความหวังที่จะได้สิ่งที่เขาต้องการซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตใจฉะนั้นจึงเป็นอันสรุปได้ว่าความรักก็คือความเห็นแก่ตัว ซึ่งแสดงออกมาในแบบที่ต่างๆกันนั่นเองการเสียสละเพื่อความรักก็คือการแสดงออกซึ่งรวดลายหรือชั้นเชิงของการเห็นแก่ตัวอย่างชนิดซับซ้อนจนคนอื่นมองไม่ออกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวการศึกษาในเรื่องความรักให้เข้าใจอย่างทลุปลูกปรม คือวิธีการที่ดีที่สุดในการเอาชนะอารมณ์คนที่ไม่อาจเอาชนะความฉุนเฉียวโกรธง่ายใจน้อยก็เพราะอ่านความรักในใจของตนเองไม่ออกรู้จักคำว่ารักแต่ไม่เข้าใจในตัวของความรักเพราะเหตุนี้คนที่ผิดหวังเรื่องความรักซึ่งอาจเป็นเพราะคนอื่นที่เขารักไม่เอาใจใส่ หรืออาจจะเป็นเพราะคนที่เขา ร, รักกลับไปรักคนอื่นก็ตามก็มักจะมีคำพูดเกิดขึ้นในทำนองว่าเสียแรงอุตส่าห์เฝ้าถนอมเราได้เสียสละเพื่อเขาทุกอย่างแต่เขากลับไม่เห็นใจอะไรทำนองนี้เป็นต้นจากคำพูดในสํานวนอย่างนี้หมายความว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายไม่เห็นแก่ตัว เพราะนึกแต่ในแง่ที่ตนเองเสียสละไม่ได้นึกถึงความรู้สึกส่วนลึกที่เขาต้องการจะได้อะไรจากคนที่เขารักจึงเข้าใจว่าตนเองเป็นฝ่ายเสียสละไม่ใช่เห็นแก่ตัวเพราะนึกขึ้นมาเช่นนี้จึงได้รู้สึกเจ็บใจแต่ถ้าเขานึกถึงความจริงที่ว่าความรักก็คือการเห็นแก่ตัว ความรักย่อมประกอบด้วยความยึดถือและความต้องการเพราะเราหวังจะได้อะไรจากเขาตัางหากจึงได้รักเขาถ้าคิดได้อย่างนี้ประกอบกับพื้นเดิมเป็นคนมีนิสัยรักความยุติธรรมรู้จักคิดในแง่ของคนอื่นความผิดหวังนั้นก็จะไม่กลายเป็นความแค้นแต่เพราะเหตุที่ตนเองเข้าใจผิดว่าเขาเป็นฝ่ายผิด เราเป็นฝ่ายถูกจึงได้แคนเคืองเขาโปรดจำไว้ว่าความเข้าใจอันใดที่ตนเองเข้าใจว่าถูกนอนถ้าปรากฏว่าเพราะเข้าใจเช่นนี้แหละจึงได้เกิดความโกรธก็พึงเข้าใจเถิดว่าความเข้าใจอันนั้นผิดแน่แต่จะผิดตรงไหนคนที่นึกว่าตนเองเข้าใจถูกย่อมไม่อาจจะรู้ได้ ต่อเมื่อใดยอมรับว่าความเข้าใจอันนั้นผิดแน่เพราะก่อให้เกิดผลคือความโกรธเขาผู้นั้นจึงจะมีทางพบได้ว่าในความเข้าใจที่ว่าถูกนั้นมีผิดอยู่ตรงไหนเมื่อใดคนพบเมื่อนั้นก็หายโกรธความรักย่อมประกอบด้วยความต้องการและความยึดถือเมื่อใดคนพบว่า ความยึดถือที่ตนมีอยู่นั้นผิดและความต้องการนั้นก็ผิดความสำนึกผิดในตนเองเช่นนี้เป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดในการระบายหรือระ ง, งับความโกรธตลอดทั้งความเศร้าโศกและความรู้สึกอื่นๆวิธีระ ง, งับความโกรธนอกจากจะมีเทคนิคดังกล่าวมาแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายของคนธรรมดาทั่วไปกล่าวคือจงหาทางระบายความโกรธในทางที่ควรโดยธรรมดาผู้ที่มีความรู้สึกอัดไว้ในจิตใจมากๆไม่มีทางระบายออกย่อมเป็นอันตรายทั้งแก่ร่างกายและจิตใจความรักกับความโกรธเป็นความรู้สึกที่มักจะกลุ่นอยู่ในจิตใจเสมอ และจะทวีปริมาณมากขึ้นถ้าหากไม่มีทางระบายและถ้าความรู้สึกทั้งสองอย่างนี้อัดตัวมากขึ้นก็อาจจะถึงขั้นจุดระเบิดคนเราจะต้องมีการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นประจำผู้ที่อัดไว้ไม่ถ่ายก็จะต้องเจ็บป่วยและบางทีถึงตายได้เรื่องของอารมณ์ก็เช่นเดียวกันคนธรรมดา ย่อมมาอยู่ในฐานะที่จะระงับไม่ให้แสดงออกมาได้ถ้า ก, กดไว้ทางหนึ่งก็จะออกไปทางหนึ่งฉะนั้นจึงควรหาทางระบายออกในทางที่ควรการแต่งงานที่ถูกต้องแต่งงานกันด้วยความรักและคุณธรรมนี่คือทางออกสากลสำหรับมนุษยชาติเป็นวิธีการแห่งการระบายอารมณ์ของความรักในทางที่ถูก คนที่แต่งงานในทางที่ถูกต้องเช่นนี้จะปรากฏว่าความรักในทางเพศจะค่อยๆแปรรูปเป็นความเมตตาปราณีที่ค่อยๆสะอาดและบริสุทธิ์และแผ่วงกว้างออกไปทุกทีซึ่งจะทำให้ความเห็นแก่ตัวค่อยๆลดน้อยถอยลงไปตามลำดำับในเรื่องของความโกรธ ก็ควรจะหาทางระบายในทางที่ถูกเช่นเดียวกันเช่นพยายามคบกับเพื่อนที่เป็นคนใจเยือกเย็นสามารถเข้าใจเรื่องจิตใจของคนอื่นได้ดีบุคคลประเภทนี้เหมาะสาหรับเป็นที่รับการระบายอารมณ์ความโกรธได้ดีมากซึ่งหมายความว่าเวลาเกิดความโกรธถ้าหากได้มาระบายให้กับคนเหล่านี้ฟัง ก็จะช่วยทำให้ความโกรธเบาบางลงไปได้มากชายใจร้อนที่ได้แต่งงานกับหญิงที่ใจเย็นหรือหญิงที่ใจร้อนได้แต่งงานกับชายที่ใจสุขุมคู่แต่งงานอย่างนี้เป็นประโยชน์ในทางระบายอารมณ์ซึ่งกันและกันได้อย่างดีมากเพราะอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นเสมือนหนึ่ง กระถหนดสำหรับรองรับความโกรธของอฝ่ายหนึ่งซึ่งเมื่อคนนั้นระบายออกมาบ่อยๆนานๆนนไปนิสัยขี้โกโรธนั้นก็จะหายไปเองการระบายอารมณ์ก็คือการแสดงออกซึ่งความรู้สึกภายในออกมาเป็นคำพูดหรือการกระทำแต่โปรดจำไว้ว่า การแสดงความรู้สึกออกมาบ่อยจะทำให้เกิดความเคยชินและแก้ยากยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงควรจะรู้ไว้ด้วยว่าการระบายอารมณ์ที่ไม่ดีออกมาแล้วจะให้เกิดผลดีแก่ตนนั้นมีทางที่จะพึงทำได้อยู่ทางเดียวเท่านั้นกล่าวคือระบายให้กับคนที่มีจิตใจสูงและมีปัญญา สามารถที่จะให้คำแนะนำแก่เราได้และเป็นที่รักเคารพของเราด้วยนอกจากบุคคลประเภทนี้แล้วไม่ควรจะระบายออกมาเป็นอันขาดนายที่ด่าคนใช้บ่อยๆนานๆเข้าก็ติดนิสัยแก้ยากไม่มีทางดีขึ้นแต่ถ้านายคนนั้นไปด่าคนที่เขามีจิตใจสูงมีปัญญา ที่สามารถจะได้ตอบอย่างชนิดให้ข้อคิดแก่คนนั้นได้อย่างนี้จะไม่ทำให้คนนั้นเสียนิสยัยแต่จะทำให้คนนั้นดีขึ้นแต่อันตรายก็มีอยู่ตรงที่จะเป็นที่เกลียดชังของคนทั่วไปเรื่องเหล่านี้จึงต้องระวังให้ดีอีกในหนึ่งคนที่ระบายอารมณ์ออกมาซึ่งจะระบายแก่ใครก็ได้ โดยไม่ทำให้เสียนิสัยนั้นจะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานในทางคุณธรรมอย่างเพียงพอเช่นเป็นคนที่รับการศึกษาดีมีจิตใจสูงรู้สึกเคารพในตนเองได้บุคคลประเภทนี้แม้บางครั้งจะเกิดอารมณ์วุ่วางแสดงกิริยาที่ไม่สมควรออกมาแต่แทนที่จะทำให้เขาเสียนิสยัย กลับจะทำให้เขามีนิสัยดีขึ้นโดยลำดับเพราะทุกครั้งที่เขาแสดงกิริยาที่ไม่ดีออกมานั้นหลังจากนั้นเขาจะรู้สึกละอายตนเองสำนึกในความผิดของตนเองยิ่ยงขึ้นเพราะฉะนั้นจึงทำให้จิตใจของเขาดีขึ้นโดยลำดับการกระทำความผิดของคนที่ได้รับการศึกษามาดีนั้นเป็นวิธีธรรมชาติ ที่จะช่วยคนคนนั้นดีขึ้นที่เรียกว่าเป็นวิธีธรรมชาติก็เพราะโดยธรรมดาคนที่ได้รับการศึกษามาดีและถูกอบรมมาดีแต่ไม่ดีถึงขนาดทุกคนก็ย่อมจะต้องทำความผิดไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรืออาจจะหลายอย่างก็ได้การกระทำความผิดของบุคคลประเภทนี้ จะช่วยทำให้สันดานชั่วที่ยังเหลืออยู่หมดไปแต่สำหรับเด็กๆหรือคนมีอายุแต่จิตใจยังไม่สูงทางปฏิบัติที่ถูกสำหรับบุคคลประเภทนี้ก็คือจะต้องควบคุมให้อยู่ในกรอบของการกระทําที่ถูกต้องอยู่เสมอจนกว่าคุณธรรมจะฝังอยู่ในจิตใจของเขาอย่างเพียงพอจึงจะปล่อยให้เป็นอิสระได้ การระวายอารมณ์ในความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือการขูดเกากิเลสหรือการค่อยๆเอากิเลสออกจากสันดานทีละเล็กละน้อยตามหลักพุทธศาสนาถือว่าคนที่จะลา ก, กิเลสได้จะต้องมีศีลสมาธิและมีปัญญาคนที่ถือศีลได้ย่อมหมายถึงการหัดบังคับตัวเอง ไม่ให้กระทําหรือไม่ให้พูดในสิ่งที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเช่นถ้าหากเราถือศีลข้อปานาติบาตและอธินนาทานได้ก็หมายความว่าความโหดร้ายทารุณความเห็นแก่ตัวความโลภจะค่อยๆเบาบางลงอย่างนี้เป็นตน้นและ ถ้าเราถือศีลได้อย่างเด็ดขาดจนกระทั่งการถือศีลกลายเป็นนิสัยสันดานก็จะหมายถึงความรู้สึกชั่วร้ายที่จะเเหตุให้ผิดศีลได้หมดไปจากสันดานแล้วส่วนคนที่ยังถือศีลไม่ได้และไม่ตั้งใจจะถือนั้นก็หมายถึงว่าเขายังบังคับตัวเองไม่ได้ชอบทำอะไรตามอารมณ์ และผลที่เกิดขึ้นจะมีอย่างไรก็ลองพิจารณาดูและควรจะจำหลักไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าคนเราปล่อยตัวให้ทำอะไรไปตามอารมณ์ความเคยชินในเรื่องนี้ก็จะมีมากขึ้นโดยลำดับต่อมาภายหลังในเมื่อรู้สึกตัวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วตั้งใจจะเลือกก็จะเห็นได้ว่า กว่าคนนั้นจะเลิกได้จริงๆต้องใช้เวลานานมากฉะนั้นการระบายอารมณ์ซึ่งหมายถึงการแสดงออกซึ่งความรู้สึกซึ่งมีอยู่ในใจออกมาเป็นคำพูดหรือการกระทำนั้นถ้าหากไม่มีขอบเขตหรือไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยผลที่ได้รับนั้นแทนที่จะทำให้จิตใจโรสูงขึ้น มันก็จะกลับจะทำให้จิตใจต่ำลงอันหนึง่งขอให้สังเกตดูว่าแม้ในทางพระพุทธศาสนาจะเต็มไปด้วยข้อปฏิบัติที่เข้มงวดและละเอียดถี่ท้วนมากมายจนกระทั่งรู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ายากเกินไปปฏิบัติตามไม่ได้แล้วก็ลงความเห็นว่าไม่มีประโยชน์เพราะปฏิบัติไม่ได้ เอาไปใช้ไม่ได้นั้นแต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกบทเคยมีผู้ปฏิบัติได้ผลมาแล้วทั้งสิน้นแต่ที่บางคนพูดว่าเขาปฏิบัติไม่ได้นั้นเป็นเพราะจิตใจของเขายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ความเป็นจริงคําสอนของพระพุทธเจ้า ในส่วนที่เราสามารถเจะปฏิบัติได้นั้นมีอยู่มากมายทีเดียวขอให้จำไว้อีกอย่างหนึ่งว่าตามหลักพระพุทธศาสนาไม่มีการบังคับให้ต้องเชื่อหรือต้องทำตามพระพุทธเจ้าต้องการให้คนเชื่อด้วยศรัทธาคือมีความเลื่อมใสเห็นประโยชน์แล้วจึงค่อยเชื่อและต้องการให้ปฏิบัติไปตามสติปัญญาของตัวเอง เช่นศีลข้อที่หนึ่งในเมื่อเราไม่สามารถจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเหมือนอย่างกับพระเราก็อาจจะตัดทอนหรือกำหนดหลักเกณฑ์ให้พอดีสำหรับตัวเองก็ได้เช่นถ้าเราจำเป็นที่จะต้องฆ่าสัตว์ที่เป็นอาหารเราก็ทำได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบังคับแต่เราก็ต้องยอมรับด้วยข้อเท็จจริงว่า เมื่อเรายังฆ่าสัตว์อยู่ก็แสดงให้เห็นว่าความเป็นห่วงตัวเองชนิดเห็นแก่ตัวยังไม่หมดไปจากสันดานเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากส่วนนี้ตามฐานะแต่ในเมื่อเรายังมีการลดเว้นจากการฆ่ายางอื่นได้อีกมากมายเป็นต้นว่าเราไม่ยอมฆ่าสัตว์เพื่อเห็นแก่ความสนุก ไม่ยอมฆ่าสัตว์ที่มีคุณหรือสัตว์ที่ไม่จำเป็นจะต้องฆ่าและสําหรับมนุษย์ก็ยิ่งตั้งใจที่จะเว้นให้ได้จริงๆอย่างนี้เป็นต้นในส่วนที่เราละเว้นได้ดังนี้มันก็ต้องมีอนิสงส์ตามฐานะอีกเหมือนกันเมื่อถือโดยในนี้เราก็สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ยาก ในเมื่อเรามีกฎเกณฑ์อยู่บ้างในการทำอะไรตามใจเช่นนี้ความกดดันก็จะไม่เกิดขึ้นและผลที่จะได้จริงๆซึ่งเป็นประโยชน์มากก็คือทำให้เรารู้แจ้งในเรื่องความดีความชั่วซึ่งเมื่อมีปัญญาขึ้นมาแล้วการที่จะบังคับตัวเองหรือไม่ทำอะไรตามอารมณ์ก็จะง่ายขึ้นจบ ธรรมบัญญายเรื่องวิธีชนะอารมณ์